ดูคำแปลเลยเนอะถ้ากันส่วนแล้วก็ไปดูคำแปลด้วยทำความเข้าใจนี่ศึกษาในกายของเราทั้งหมดนี่ะทั้งหมดนี้ศึกษาในกายของเราเนี่ยโคชงเจ็ดันห้า ยาต น, นะยาต น, นะห ณภายในณภายนอกอย่างละหกันห้าที่เราสวดนี่พี่เป็นบทธรรมทั้งนั้นแหละและบทธรรมทั้งหมดนี้ชี้มาที่กายเราทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ชี้ไปที่ไหนชี้มาที่กายเราที่ตัวเราทั้งหมดนี้เป็นบทศึกษาเกี่ยวกับ ขัขนของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นบทที่มารื้อให้เราทาความเข้าใจให้เรารู้จักตัวเราเองทั้งนั้นเลยที่เราสวดกินขันห้าอโยธนศิลสองเนี่ยขันห้าอโยธนศิลป์สองดชงเจดเนี่ยวดชงเจดนี่ก็เป็น พจชงเกียนก็เป็นผลจากการปฏิบัติสติธรรมวิจยะวิิยะปีติเป็นบททำบทสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยเราไปศึกษาไปดูไปดูคำแปลด้วยไปดูคำแปล แล้วเวลาเราภาวนาเวลาเราภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็จะล่อมมาที่ใจของเราทั้งหมดอะไทั้งหมดนี่เป็นบทธรรมเราจะพิจารณาบทกายอย่างเดียว ม, มันก็เป็นธรรม เมื่อวานเราก็สวดบทเวทนาแล้วก็บทจิตอันนี้ก็ไม่ยาวบทเวทนาบทจิตก็ไม่ยาวแต่บทธรรมนี่ยาวยาวเกินครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้บทธรรมะกายเวทนาจิตธรรมเราจะพิจารณาอะไรเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดจะดูตรงไหนก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมด กะดโดดรูปก็คือรูปขันกรดูเวทนาก็คือนามขันมันเกี่ยวกับเรื่องกิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นหัวใจของเราทั้งหมด อุปาทานขันห้าพิสุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอุปาทานขันห้าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าอย่างนี้เป็นรูปรูปคือสิ่งที่สุดโศติตรู ป, ปังติตรู ป, ปัสสะสมุทิโยความเกิดขึ้นของรูป ตรงนี้คือรูปตรงนี้คือความเกิดขึ้นของรูปคือมันจะล่อเข้าไปสู่อริยสัจท้านั้นเลยนะอย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของรูปเป็นสมุดไทยรูปรูปเกิดขึ้นอย่างนี้<ะ>เหตุเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้ ต ล, ล่อมเข้าไปที่ตละล่อมเข้าไปที่อริยสัจเนี่ยอย่างนี้คือรูปรูปเกิดขึ้นอย่างนี้รูปดับไปอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้อย่างนี้เวทนาเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์เวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ ความดับของเวทนาดับอย่างนี้ท่านให้กาหนดดูขันห้านี่นะดูการกาหนดเกิดขึ้นของขันห้าอย่างนี้คือรูปอย่างนี้คือเวทนาอย่างนี้คือเวทนาเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้เวทนาดับไปอย่างนี้ อย่างนี้เป็นสัญญาสัญญาแปลว่าความจําเราศึกษาแต่และอย่างเราก็น้อมดูมาที่ตัวเราเความจําสัญญานี่แปลว่าความจําสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้สัญญายะสมุดยโยสัญญาดับไปอย่างนี้ความดับไปของสัญญาดับไปอย่างนี้ ศึกษาความเผิดศึกษาความอุดับของขันทั้ง5้าทูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดนะสังขารในขันห้าเนี่ยสังขารฐานในขันห้าท่านหมายถึงสังขาร น, นามหมายถึงสังขาร น, นามแต่มันตะล่อมเข้ากันหมดอะไรทั้งสังขารทูปสังขาร น, นาม เรศึกษาไปแล้วมันมาพันกันไปหมดแล้ Lab. อย่างนี้สังขารสังขารความคิดคิดดีคิดชั่วปัญญาพ่สังขาอรอปุญญาพิสังขารคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปสังขารก็ว่าความคิดโอ้ความ AG. เกิดขึ้นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสังขารสังขารเกิดขึ้นอย่างนี้ อ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราดูวิธีการที่ท่านให้เราดูมันละเอียดนะมันละเอียดมากให้ดูไปของธรรมชาติที่ละอย่างทีละอย่างที่มันเกิดขึ้นชังคารานังทั้งขโมโ อ, อย่างนี้ความดับไปของชังคานโอ้สังคามันดับไปอย่างนี้ศึกษาความเกิดความดั บ, ค, ดบคือมันมีหน้าที่อยู่แคนั้นเองอ๋ออย่างนี้คือรูปของมันอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้อ๋อมันตั้งอย่างนี้มันดับไปอย่างนี้ แต่ผู้ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่นั้ต่างหากเป็นผู้หนึ่งอีกต่างหากวิญญาณก็เหมือนกันความรู้สึกวิญญาณนั้งวิญญาณอย่างนี้คือวิญญาณวิญญาณนี้เราจะต้องเข้าใจนะวิญญาณตัวนี้วิญญาณขันวิญญาณเช่นอย่างตาเห็นโลกเกิดความรู้ ร, รู้สึกทางตาทั้งโลกเกิดความรู้สึกต่างตาจากขุมวิญญาณ ได้ยินทางหูนี่เกิด ค, ความรู้สึกเรียกว่าโสตะวิญญาณนี่คือวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งแต่ในที่นี้เขาบอกว่าความรู้สึกวิญญาณคือความรู้แจ้งแต่วิญญาณของพวกเราเนี่ยเราก็พูดเลยเถิดไปถึงพูดผีอะไรต่ออะไรที่เราพูดถึงท่านพูดถึงวิญญาณของวิญญาณขันวิญญาณขัน คือขันข้างนอกมาสัมผัสกับขันข้างในใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้นี่แหละท่านเรียกว่าวิญญาณใจเป็นผู้รู้นี่ท่าน่เรียกว่าวิญญาณตาเห็นรูปเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นเกิดความรู้แจ้งวิญญาณแปลว่าความรู้แจง้งรู้แจง้งรู้ชัด ผู้รู้แจ้งรู้ชักก็คือจิตนั่นแหละจิตรู้แจ้งจิตรู้ชักอ๋ออย่างนี้วิญญาณรู้จักขันขันหนึ่งคือโออย่างนี้วิญญาณอ๋อวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นยังไงวิญญาณมันอาศัยตาอายตนะภายในอาศัยรูปอายตนะภายนอกกระทบกันผู้รู้สึกว่ากระทบคือจิตจิตรู้สึกจิตเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นรูปอ ตาเห็นรูปเกิดความรู้แจ้งเป็นจักขบวิญญาณนี่คือความเกิดขึ้นของวิญญาณวิญานเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นสรแล้วก็หมดไปอเป็นช่วงเป็นช่วงหลวงตาท่านว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับแยบแล้วก็ดับแยบแล้วก็ดับนีอ๋ออย่างนี้ความดับไปของวิญญาณวิญญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้คือวิญญาณวิญญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้อ๋อมันดับไปอย่างนี้ ให้เอาผู้รู้ดูสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันดับไปอย่างงี้ตัวมันเองคือตัวนี้รู้จักตัวมันด้วยรู้จากการเกิดของมันด้วยรู้จักการดับของมันด้วยนี่มันเข้าหลักอัออนนี้จังทุกครั้งนันตาคือความไม่คงทนของมันความขาดช่วงความไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารความไม่เป็นก้อนเป็นแท่ง ลองพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในบ้างลองพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายนอกบ้างในภายในก็คือในภายในกายเราในภายในจิตเราในภายนอกจากจิตของเราในภายนอกจากกายของเราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นพิจารณาเห็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ย่อมพิจาณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปพิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นและก็ทั้งความเสื่อมไปโอ้ละเอียดนะกิริยาที่ท่านให้เราดูให้เราพิจารณาอันนี้เป็นบทประกอบในการปฏิบัติธรรมของเรานะเป็นความรู้มาเสริมความรู้ข้างไหนของเรา ไม่ใช่เรามานั่งนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปยื่อยไปโดยไม่มีหลักไม่มีหลักเกณฑ์นในการในการปฏิบัตินี่คือหลักในการปฏิบัติหลักชัดแจ้งเลยนี่กระุทธจาท่าพูดชัดเจนไว้มหัสตินี่แหละพูดละเอียดมากเลยเนี่ยละเอียดมากเรามาดู บ, บทไหนละเอียดเท่านั้นจะให้รู้ว่าละเอียดจริงๆต้องน้อมมาน้อมมาที่ใจเราจะเห็นว่ามันละเอียดมากมันละเอียดมาก ไปดูนะไปดูคําแปลไปทำความเข้าใจแค่คันห้าเนี่ก็โอ้ดูให้เห็นเห็นตามนี้แล้วกับโอ้ 7. 000. 7. 000. 7. 000. 7. 000. เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องได้มันจะไม่ได้ยังไงในเพื่อจิตเราหมุนขนาดนี้จิตเรามันหมุนไปกับธรรมะขนาดนี้มันต้องได้มันได้มันต้องได้ไม่เป็นพระอรหันต์ทัานที่ว่าตัวเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างช้า ไม่ได้เป็นพระอรหานก็ต้องไปเป็นพระนาคามีไม่ได้เป็นพระนาคามีก็ต้องไปเป็นพระสิทติาคาหรือไม่เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยเพราะอะไรจิตมันหมุนมาตามกระแสของธรรมชัดๆเลยตามคลองของธรรมกระแสของธรรมชัดไม่ได้หมุนไปที่ไหนไม่ได้ไปวิ่งล่องลอยจับความนึกคิดอะไรสราพัด<ม>ือเหมือนอย่างที่เรานั่งคิดนั่งปรุงน่ะด้วยเป่วยไปตามเรื่องของมันอ่ะ อันนั้นคือล่องลอยเรื่อยเปืย่ยไม่มีหลักนี่เราหมุนมาเท่านี้มีหลักเป็นหลักให้พวกเรารู้จักคลองคลองของธรรมแนวของธรรมเอาไว้ี่แนวของธรรมเท่านั้นแหละเราศึกษามาอู้สำคัญทั้งนั้นเลยเป็นแนวปฏิบัติเวลามันเป็นไปแล้วเนี่ยน้อมไปใส่เนี่ยใช่ทั้งหมดเลยโอ้อันนี้เคใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ ช่วงที no ่เราพิจารณาเราจะเห็นว่าโอ้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่ช่วงที่เราให้สงบเราก็ต้องการให้สงบสงบอยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละให้มีสองช่วงเหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้มีสองช่วงช่วงสงบก็ใสงบจริงจริสงบจนขีนิ่งใจิตมันได้กำลังมันแนบแน่นมันอิ่มแน่นในหัวอก นันเต็มอึงตึ้งอย่างเงี้ยมันตั้งมัน่นตั้งมั่นึงตึง้ง แ, แล้วพิจารณาค่อยๆมาคลี่คลายพิจารณ า, า, า, า, าตามสี่งเหล่านี้มันเห็นชัดมันเห็นชัดมันเห็นเป็นชัดมันฮอนอยู่เรื่อยมันเป็นที่ใหม่เลยนะอันเป็นที่ใหม่ใช่ไหม ว่าไหมนี้มันดูดเนี่ยไหมนี้ถ้ามันดูดเกินไปแล้วมันจะหอนที่เรียกเขาก็บอกอยู่ไหมถ้ามันไหมมันไหมตัวไหนมันดูดดีๆเนี่ยมันจะหอนมันใกล้ลําโพงแล้วมันจะหอนสามทุ่มที่ไหนบ้างเฮ้ยที่ไหนบ้าง ไปดูคำแปลนะสวนแล้วก็ไปดูคำแปลไปภาวนาอันนี้เป็นบทเป็นบทวิปัสนานะเนี่นี่หนังสือเล่มเมนี้บทมีทั้งบทสมถะมีทั้งบทวิปัสนนาทำให้สงบก็ได้พิจรณาให้แตกฉานก็ได้หาสติปัฏฐานไปดูให้ชำนาญดูให้ชาชองใครสามารถไปท่องได้ไปท่องเอา โอ้เก่งมากเลยอลองท่องจำไม่ได้เนี่ยท่องไม่ยากนะดูแต่พวกเราไม่ค่อยได้สวดทรายเรายังสวดเข้ากันเปียเปียเปียเปีเปเย้ยอะไรมฮะภาษาบาลีซะด้วยนะนี่ภาษาบาลีแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยจะง่ายกว่านี้นะอันนี้ภาษาบาลีแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่มีจุดไม่มีคอมไม่มีอะไรให้ด้วยเนี่ย ไม่มีที่จบไม่มีที่ขึ้นให้ด้วยเนี่ยเราก็จบเป็นวักเป็นวักเป็นวักได้อย่างดีดูตรงไหนก็น่าดูไปหมดอเนี่ยดูดูตรงไหนก็น่าดูไปหมดบทกายบทเวทนาบทธรรมบทอะไรเนี่ยน่าดูไปหมดเพราะมันเป็นเรื่องภายในทั้งหมดเนี่ย เป็นทฤษฎีที่มาที่ตัวเราทั้งหมดเลยเนี่ยใครแน่จิยุ่งก็ไม่เจาะจฮะคอยังชัว่วจิ ยุงไม่เจาะอมีพัดลมผิวๆๆๆเพราะเย็นๆชื่ในใจแน่ <c oughs> ยุงข้างนอกมันไม่เจาะแต่ยุงข้างในนี่แหละมันเจาะเจาะทะลุไปนู่นเจาะทะลุไปนี่เห็นไหมเห็นตัวยุงข้างในมันเจาะไหม เห็นไหมเห็นตัวยุงข้างในมันจบไหมตั้งอกตั้งใจเอานะละเน้นเราก็ไปท่องด้วยท่องบทสวดด้วยไม่เช้าหนึ่งกันเน้นบอกบทสวดเราทิ้งกันทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ท่องบทสวดมนต์ต้องต้องท่องไม่ท่องไม่ได้ดอก ให้พ อ, อยะถาสัพพีอายุโดบทอื่นๆที่เราจะพึงท่องพึงสวดมีเยอะแยะไปท่องทำความเลื่อมใสแล้วก็ท่องท่องท่องท่องอันนี้มันเป็นบทธรรมสำหรับภาวนาบทอื่นที่จำเป็นเป็นภาษาบาลีแปลมาเป็นภาษาธรรมะทั้งนั้น ธรเช้าธรรมะเย็นเนี่ยมันเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าเช้าเข้าเฝ้าเย็นสรรเสริญสิ่งดีสรรเสริญบุญคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณเก้าธรรมคุณหสังฆคุณเก้าที่เราสวดน่ะสรรเสริญบุญคุณของพระพุทธเจ้า บุญคุณเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีจริงแล้วก็สวดสรรเสริญเราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านเราลึกทำไมาเรารลึกให้เกิดความเชื่อเกิดความเรื่มใสใเกิดความศรัทธาให้จิตของเรานี่ให้มันเป็นให้มันเป็นเครื่องดึงจิตของเราลากจิตข อ, จของเราจงจิตของเราให้เราอยากได้เหมือนท่านอยากดีเหมือนท่าน อยากมีอยากเป็นเหมือนท่านอยากหลุดอยากพ้นพ้นทุกเหมือนท่านเไม่งั้นมันไม่เริ่มใ ส, ส่ศรัทธาก็เหมือนอย่างวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาที่เราพูดไปเมื่อวันก่อนวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในคุณพระพุทเจ้าพระธรรมสอัอจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรอไอ้พวกมหาปริเรณามันเคยมาถามเราเชื่อเ่าเชื่อว่าพระุทธเจ้ามีจริงไหม เขาคงจะไปเชื่อเหมือนอย่างพวกนิยงนิยายอะไรที่เขาแต่งน่ะก็เหมือนอย่างตำนานพรามรามเกียร์เนี้ยเขาแต่งขึ้นมานะไปอ่านดูตำนานรามเกียร์วรรณคดีรามเกียร์วรรณคดีเรียนวรรณคดีเรียนไปเรียนมาเรียนมาเรียนไปเลยกลายเป็นศาสนาใชไปดูวรรณคดีเขียนตำนานเขียน เป็นคมภีร์ของพราหมณ์พราหมวรามิจิวรามิจิเขาเป็นคนเขียนตำราตำรานี้เขาเป็นคนเขียนเขียนวรรณคดีเนี่ยเขียนไปเขียนมาเขียนมาเขียนไปเป็นศาสนานพระนารายณ์พระไอศวรรณพระอะไรเต็มไปหมดอันนั้นของเขาแต่ของพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางคนเคยมาถาม เชื่อไหมเชื่อว่าพุทธเจ้ามีเชื่อไห ม, ม, ไหม <c oughs> เขาคงจะคิดว่าเหมือนอย่างตำนานที่วรรณคดีทั้งหลายเขาเขียนกันนะพุทธเจา้าของเรามีตัวมีตนตัชายศิทธะโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะพระนางสิริมหามายาน ป, ประสูติปานลงพินีระหว่างเมือง กบิลพัทและก็เมืองเทวทหะต่อกันนั่นมีประวัติไม่ใช่เป็นเทพนิยายที่ไหนนอกนั้นเป็นเทพนิยายเท่านั้นหละเป็นมนุษย์นี่แหละรู้เรื่องของมนุษย์เห็นความทุกข์แบบมนุษย์แก้ไขแบบมนุษย์แล้วก็ลดหลดพ้นไปแบบมนุษย์ มันเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติของพระเจ้าของเราฉลาดทําให้เราคนทุกคนโทษดูแต่เนื้อหาของธรรมะในละเอียดขนาดไหนเรามาดูสิแจกแจงกิจยาของกายกิริยาของจิตของเราเนี่ยอาการของกายอาการของจิตเนี่ยกิจยาของจิตทั้งหมดแหละที่เราเรียนทั้งหมดล่ะจิตสมหนสมัยคืออะไรเป็นอะไรเป็นอะไร แต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้เรารู้ถอยรู้รู้แล้วก็ถอยรู้ถอยรู้แล้วละไว้รู้แล้วก็ละไว้รู้แล้วก็ละไว้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้ละไว้รู้ละไว้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่ลืถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่เข้าใจพระเจ้าถ้ามีคุณยังไงพระธรรมมีคุณยังไงพระสงฆ์มีคุณยังไง พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบัณฑความบริสุทธิ์ก็ธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงพระธรรมน่ะสักฟอกให้พระองค์บริสุทธิ์พระธรรมน่ะที่พระองค์สักฟอกสักฟอกให้พระองค์บริสุทธิ์แต่พระธรรมก็เป็นคําสอนของพระองค์นั่นแหละเห็นไหมขวนขวายน่ะขวนขวายได้ผลเป็นเป็นเองขวนขวายได้ผลเป็นเองพระธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยพระธรรมนั่นห ล, ละแล้วก็มาอย่างไหนมีทายสอนก็ขวนขวายด้วยพระธรรมนั่นแหละขวนขวายไปขวนขวายมาขัดไปขัดมากลราวไปกล่าวมาบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะมันเข้าหลักเท่าหลักธรรมชาติที่เป็นเหตุให้ชักให้ล้างให้บริสุทธิ์ได้หลักอริยสัจสี่นั้นถนะูกไหมหลักอริยาาสัจโดยที่เกิด ดูท e ี่ตั้งอยู่ดูที่ดับไปดูที่เกิดดูที่ตั้งอยู่ดูที่ดูที่ดับไปเห็นที่ไปเห็นที่มาเห็นที่เกิดเห็นที่ดับเห็นที่เกิดเห็นที่ดับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีที่เกิดไม่มีที่ดับไม่ใช่ไม่มีที่ไปไม่มีที่มาที่เกิดไม่ที่ดับ สงฆ์เพราะสงฆ์ก็ผู้ศึกษาผู้ดได้ยินได้ฟังพวกเราเนี่แหละเป็นสงฆ์ทั้งพระทั้งโยมอุบาสกอุบาิกาทั้งหมดนี่แหละเป็นสงฆ์เป็นสงฆ์เป็นบริษัทเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ศึกษาเป็นปันจจพยานผู้ฟังทำและบรรลุตามมีทั้งบวชเป็นพระมีทั้งไม่ได้บวชมีทั้งที่เป็นโยมฟังแล้วบรรลุทำ ทุกชั้นทุกภูมิรู้ได้หมดประสงค์รู้ตามแท้ที่จริงคือเป้าประสงค์ของพระองคง์ต้องการสอนเขาให้เขารู้ตามให้พ้นทุกข์ไปตามจเจ้าก็ทำประสงค์คนลักษณะคุณของพระสงค์คืออะไรสึ้นเก้า พุทคุณเก้าธรรมคุณหคุณลักษณะของธรรมคุณส ว, วัสดโตตรัตไว้ดีแล้วตรัต้ว้ชอบแล้วสคโตพระกัตาธรรมโมสันทิิโกเห็นเองรู้เอง เ, อเปรีปสิโกคนน้องไม่มาให้มาดูโอปะไรโกคนน้องเข้ามาปัจจต่างเห็นด้วยตัวเอง เวดิตบโบวินยูวินยูผุนรู้เฉพาะตนธรรมะของพระพุทธเจ้ากาลิโกไม่ประกอบไปกัการไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการนั้นการนี้เวลานั้นเวลานี้ขึ้นอยู่ที่ขณะที่เราทํางานทําได้มากทําได้มากเพียงพอตอนไหนทีไรเมื่อไร่มีผลพร้อมที่จะเกิดขึ้นตอนนั้น คุณของพักถามอ้าวันนี้เอาแค่นี้แหละ